ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยาะสังขหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการัชนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ย8สิบดจตุ ป, ปัจจยะภาชนิยะวินิชยกถาคาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกแบ่งปั จ, จัจสี่ต่อ เมื่อพิกษุเหล่าอื่นไม่มาตามสัญญาณระกังหรือตามกำหนดเวลาพึ่งอธิษฐานว่าจีวรเหล่านี้ถึงแก่เราเมื่ออธิษฐานอย่างนั้นแล้วจีวรทั้งปวงเป็นของเธอเท่านั้นส่วนลำดับไม่คงอยู่ถ้ายกขึ้นทีละผืนทีละผืนถือเอาอย่างนี้ว่านี้ส่วนที่หนึ่งถึงแก่เรานี้ส่วนที่สองอันจีวรที่เธอถือเอาแล้วเป็นอันถือเอาแล้วด้วยดีแต่ลำดับคงตั้งอยู่ จีวรเป็นอันพิสุผู้แม้ให้ถือเอาอยู่อย่างนั้นเป็นอันชื่อว่าอธิษฐานแล้วเหมือนกันแต่ถ้าพิกสุตีระครังหรือไม่ตีก็ตามประกาศเวลาหรือไม่ประกาศก็ตามถือเอาด้วยทำในใจว่าที่นี้มีแต่เราเท่านั้นจีวรเหล่านี้ย่อมเป็นของเฉพาะเราจีวรเหล่านั้นเป็นอันถือเอาไม่ชอบคือถ้าถืออย่างนี้นี่ถือไม่ดีแต่ถ้าถือคือกระชักออกผืนหนึ่งแล้วก็บอกว่าส่วนนี้ถึงแก่เรา ในส่วนที่สองก็ถึงจะเราอองเพราะว่าไม่มีคนอื่นยานี้ชื่อว่าถือเอาโดยชอบหากเธอถือเอาด้วยทําในใจว่าที่นี้ไม่มีใครอื่นจีอวอนเหล่านี้ย่อมถึงแก่เราเป็นอันถือด้วยดีถ้าถือเอาว่าที่นี้ไม่มีใครอื่นจีอวอนี้ย่อมถึงแก่เรานี่ก็ถือเอาโดยชอบนั้นคําพูดอันนี้ก็สําคัญ ถ้าที่สุดยังไม่อธิษฐานถือจีวรเหล่านั้นไปจะจอจงวิหารอื่นนึกคิดว่าเราจะแบ่งกันกันกบที่สุทั้งหลายในวัดนั้นจีวรเหล่านั้นจะเป็นของสง์ในที่ที่ทิกสุนั้นไปแล้วเท่านั้นคือถ้ายังไม่ได้ถือเอาเลยก็ยังเป็นของสงอยู่ก็คือยังไม่ได้แบ่งนั่นเองก็ศักว่าที่สุดทั้งหลายเห็นแล้วเท่านั้นเป็นประมาณในเรื่องการถือเอาจีวรนี้ถ้าไปเจอพระสุเมื่อหร่ก็ต้องแบ่งแล้ว ก็เห็นนั้นถ้านพิษุบังเหล่าเดินสวนทางมาถามว่าท่านจะไปไหนอาวุโสได้ฟังเนื้อความนั้นแล้วกล่าวว่าอาวุโสพวกเราไม่ใช่สงฆ์หรือจึงแบ่งถือเอาในที่นั้นนั่นแหละจีวรเป็นอันถือเอาดีแล้วแม้ถ้านพิษุนั้นแวะลงจากทางไปสถวิหารหรืออาสนะสาลาบางแห่งเพื่อเที่ยวบินธบาตหรือเข้าไปู่เรือนหลังหนึ่งก็ดี ก็แลในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นแล้วถามเนื้อความดันให้แบ่งแจกถือเอาไปเป็นอันถือเอาดีแล้วนั่นและิกษูจําจรรษาในวัดหนึ่งถือเอาส่วนแบ่งในวัดหนึ่งเป็นอาบัตทุกกฏเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุจําจรรษาในวัดหนึ่งแล้วไม่พึงยินดีส่วนจีวรในวัดอื่นรูปใดยินดีรูปดันต้องอาบัตทุกกฏ เฉะนั้นให้ยินดีส่วนแบ่งของวัดตนเองที่จำพรรษาเท่านั้นแต่ยินดีในวัดอื่นจะมีอาบัตรทุกข์ก็ในเรื่องการยินดีจีวรในวัดอื่นนี้เป็นละหูกาบัตแม้ก็จริงเป็นอาบรตเบาถึงกระนั้นจีวรที่เอาแล้วก็ควรคืนให้ในที่ซึ่งตนถือเอาต้องคืนให้เขาไปเอามาไม่ได้แม้หากว่าจีวรเหล่านั้นจะขอเสียหายไปก็ดีเอาไปก็ดีย่อมเป็นสิ่งใช้แก่พิจุนั้นแท้ การเมื่อพิสูจเหล่านั้นกล่าวว่าท่านจมให้เมื่อเธอไม่ให้พึงให้ปรับตามราคาของถ้าเขาทวงคืนไม่คืนให้ดีปรับอาบัติได้เลยถ้าถือราคาให้มาส่งก็ต้องปรารชิตเลยถ้าไม่คืนในเมื่อภิสูจเหล่านั้นทอดทุระถ้าไม่คืนให้จึงจะเป็นอาบัติแต่ถ้ายังมีหวังต้องการอยู่ก็ยังไม่เป็นอาบาัติจะเป็นพันธะไทยต้องใช้คืน ที่สูตรเร่อหนึ่งจํำภาษาอยู่สองวัดด้วยคิดว่าด้วยวิธีอย่างนี้จีวรจะเกิดขึ้นแก่เรามากที่สูตนั้นย่อมได้ส่วนเฉพาะบุคคลเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากว่าที่สุตนั้นอยู่ในวัดละวันบ้างหรือวัดละเจ็ดวันบ้างบุคคลผู้เดียวย่อมได้ส่วนใดได้วัดดหนึ่งหงึงให้วัดละกึ่งส่วนกึ่งส่วนจากส่วนนั้นั้นให้ถึงเดียวเท่านั้นเอง ส่วนเฉพาะบุคคลคนเดียวชื่อว่าเป็นอนทิสุทั้งหลายให้แล้วด้วยประการฉนี้ก็ถ้าทิสุอยู่ในวัดหนึ่งรับแต่อารุณเท่านั้นโดยวาระเจ็ดวันในวัดนอกนี้เพิงให้ส่วนแก่ทิสุนั้นจากวัดที่เธออยู่มากกว่าส่วนของบุคคลคนเดียวเป็นอนทิสุให้แล้วแม้ด้วยประการอย่างนี้ก็การให้ตรวจของบุคคลคนเดียวนี้ พระผู้บีพระภาคเจ้าตรัสด้วยวัดมีสีเบอร์เดียวแต่ต่างลาบต่างอุปจารกันส่วนในวัดที่ต่างสีเบอร์กันการถือเสดาช น, สน ย, ย่อมระงรับเพราะว่าจะถือเสดาช น, ส, น ส, สองวัดไม่ได้คนามสีเบอร์กันแต่ถ้าสีเบอร์เดียวกันแล้วก็มีวัดอยู่ในสีเบอร์เดียวกันหลายวัดก็ไปรับอรณุณที่วัดดั้นเบอร์รับประนุนที่วัดนี้เ บ, บอร์เพื่อจะให้เขาเห็นว่าตัวเองจำบัญชาจะได้แบ่ง แจ่ปัจจัยให้นักจีวรตะเคียนเล่านี้ก็ให้เฉพาะส่วนของบุคคลคนเดียวเท่นั้นเพราะเหตุ น, นั้นส่วนแห่งชีวรในวัดนั้นนับไม่ถึงแก่เธอถ้าเป็นคนลาสีมาแต่สิ่งของที่เหลือทั้งหมดมีอาบิสและเทสัตจ่อมถึงแกท่ทิสุผู้อยู่ภายในสีมาในวัดที่มีสีบาเดียวกันและวัดที่มีสีมาต่างกันทั้งปวงถ้าไปรับอารูณถ้าไปแสดงตนอาบิสเทสัตดี ถึงได้แต่ชีวรไม่ได้เพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปหนึ่งถึงมรณภาพสงเป็นเจ้าของบาทและชีวร อ, อีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้พยาบาลไข้มีอุปกา ร, ระมากเราอนุญาตให้สงมอบไตรจีวรและบาทแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข่ในบรรดาของนั้นสิ่งใดเป็นระหุพันธ์เป็นระหุ บ, บริขาร สงพึงพร้อมหน้าการแจกสิ่งนั้นเถิดเมื่อพิสูจน์ทำการและกิริยาแล้วในบรรดาของนั้นสิ่งใดเป็นครุพันเป็นครูบริขานสิ่งนั้นเป็นของแบ่งแจกันไม่ได้เป็นของสงผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาดังนี้เมื่อพิกูจนรูปหนึ่งรมรณะภาพแล้วสงพึงอัปโลกหรือสวดกรรบวาจาอย่างนี้ว่า สุนารตเนผันเตสังโฆอิันโมภิกขุกาลกตโตอิดัมตัสสติจิวรันะปัตตะยดีสังฆสะปตะกลังสังโฆอิบังติจิวรันชะปัตันชะิลานุปัากาดังนัตยะเอสาญติสุนาร สังโฆอิัณนามภิกกโตอินัตัสติจิวรัจปโตจาสังโฆอิมังติจิวรันจาปตัญจาคิลานุปักาันเตเตยสะยัสสมะโตขัมมติอิมัสติจิวรสาจปตสจิลาุปักาดาัง โซตุนหสะสยาสานคมะติโซภาเสยะดินดัำอีดังสังเขนติจิวรัญจาปตโตจะคิลานุปัถากานังธมติสังสะตัสมาตุนทีเอวะเบตังทารยาบิแล้วก็ให้บาทและจีวรแก่พิสุผู้พยาบาลไข่อยู่พร้อมหน้ากันแจกระหุบริการที่เหลือ แล้วถือเอาเถิดนี่ก็เป็นวิธีการให้บาทชีวรของพิสุผู้บารณะภาพก็คือเส้นชีวิตแล้วแต่พิกษุผู้พยาบาลไข้ก็ในเรื่อของพิสุผู้พยาบาลไข้มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้หากว่าพิกษุสง์ทั้งสิ้นพยาบาลพิสุไข้บารณะภาพสงเป็นเจ้าของทั้งหมด หากว่าบางพวกทำเวรบางพวกไม่ทำเวรเลยที่สู่ไข่มรณะภาพลงในการบรณะภาพนั้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่าที่สู่แม้ทั้งปวงพึงทำในวาระที่ถึงตนเพราะฉะนั้นที่สู่แม้ทั้งปวงเป็นเจ้าของบางพวกกล่าวว่าที่สู่ไข่นั้นอันที่สู่เหล่าใดพยาบาลที่สู่เหล่านั้นเท่านั้นย่อมได้ที่สู่นอกจากนั้นไม่ได้ถ้าว่าเมื่อสามเดรแม่มรณะภาพลง จีวอของเธอมีอยู่พึงให้แก่ผู้พยาบาลไข้ถ้าจีวรไม่มีสิ่งใดมีพึงให้ถึงนั้นเมื่อบริกานอื่นมีพึงทําให้เป็นส่วนแห่งจีวรให้ทั้งพิกตุและสำเนินถ้าว่าพยาบาลเท่ากันพึงให้ส่วนเท่ากันหากว่าสำเนินเท่านั้นพยาบาลกิตศักว่าช่วยจัดแจงเท่านั้นเป็นของพิกตุพึงให้ส่วนใหญ่แก่สมเนิน ถ้าว่าสามเณรต้มยาคูด้วยน้ําที่พิจุนนำมาท่านกิจศักว่าให้รับประเคนเท่านั้นเพสุพยาบาลปึงให้ส่วนใหญ่แก่พิจุพิจุหลายรูปเป็นผู้พร้อมเพรียงช่วยกันพยาบาลทั้งหมดปึงให้ส่วนเท่ากันแก่เธอทั่วกันก็ในพิจุเหล่านี้รูปใดพยาบาลโดยพิเตปึงให้ส่วนพิเศษแก่พิจุนั้นอันนี้ก็เป็นบรดกของผู้ตายทีวรบริหารทั้งทาง อันหนึ่งผู้ใดหุงต้มยาคูและพัดไห้หรือจัดแจงส่งน้ําโดยเรื่องด้วยผู้พยาบาลไข้วันหนึ่งแม้ผู้นั้นก็จัดว่าผู้พยาบาลไข้เหมือนกันที่สุดใดไม่เข้าใกล้ทรงแต่ยาและเข้าสารเป็นต้นบ้างที่สุดนี้ไม่จัดว่าผู้พยาบาลไข้ถ้า ส, งส่งทะบียงเท่านั้นไม่ดูแลไม่เข้าไปอุปถาก็ไม่ใช่ผู้พยาบาลไขแฟนที่สุดใดแสวงหาให้อนุสมบัตถือมา พิกษุนี้จัดเป็นผู้พยาบาลไข้แท้รูปหนึ่งพยาบาลด้วยเพ่งวัดเป็นใหญ่รูปหนึ่งพยาบาลด้วยหวังราบในเวลาที่พิกษุไข้บนระนาพเธอทั้งสองจำดมพึงให้แก่เธอทั้งสองรูปรูปหนึ่งพยาบาลแล้วไปในที่ใดนๆเสียด้วยธุระของพิกษุไข้หรือด้วยธุระของตนคิดว่าเราจักมาพยาบาลอีกแม้พิกสุนี้ก็ควรให้ รูปหนึ่งพยาบาลอยู่ดอนแล้วทอดธุระไปเสียว่าบัดนี้เราไม่เติเบอร์แม้ถ้าว่าพี่ถูกไข้บรรณะภาพในวันนั้นเองไม่พึงให้ส่วนแห่งผู้พยาบาลถ้าทั้งใจว่าไม่พยาบาลแล้วแม้ที่ถุกไข้ตายในวัน น, นไม่พึงให้ส่วนแห่งผู้พยาบาลขึ้นเชื่อว่าผู้พยาบาลไข้เป็นกระหัตหรือเป็นบรรพชิตหรือโดยที่สุดแม้เป็นบรรุรามก็ตามทีทุกคนย่อมได้ส่วน หากว่าของพิสูจน์นั้นมีแต่สักว่าบาทและจีวรเท่านั้นของอื่นไม่มีบาทและจีวรทั้งหมดเพิงให้แก่ผู้พยาบาลไข้เท่านั้นแม้หากว่าจะตีราคาตั้งพันแต่ผู้พยาบาลเหล่านั้นย่อมไม่ได้บริการแม้บ้างอย่างอื่นบริการอย่างอื่นย่อมเป็นของสองเท่านั้นสิ่นของที่เหลือมากและมีราคามากไรจีวรมีราคาน้อย บริขารคือตรจีวรพึงถือเอาจากสิ่งของที่เหลือนั้นให้ก็บาดตรจีวรนั้นทั้งหมดกันผู้พยาบาลไข่ย่ยอมได้จากสงเทียวย่อมได้จากของสงเทียวก็ถ้ว่าทิกษุไ ข, ข้นั้นยังมีชีวิตยอยู่ทีเดียวได้ปลงบริขารของตนทั้งหมดให้แก่ใครใครเสียหรือว่าใครใครได้ถือวิสาสะเอาเสียของนั้นเถอให้แล้วแก่ผู้ใด และอันผู้ใดถือเอาแล้วย่อมเป็นของผู้ดันเท่านั้นผู้พยาบาลไข่ย่อมได้ด้วยความชอบใจของผู้ดันเท่านั้นไ่ายบริขารทั้งหลายที่พิสูจน์ใ้ไม่ให้แก่บุคคลเหล่าอื่นเก็บไว้ในที่ไกลย่อมเป็นของสองในที่ดนันเท่าดันถ้าเป็นของสองเจ้าของมิได้แบ่งกันเมื่อฝ่ายหนึ่งบรณภาพลงอีกฝ่ายหนึ่งย่อมเป็นเจ้าของได้ของแม่มากเจ้าของก็ดนนีเหมือนกัน ก็คือถ้ามีหลายเจ้าของกันเแล้วก็ภิกษุไข้ตายลงแต่เป็นเจ้าของด้วยก็กลายเป็นของคนอื่นถ้ายัางไม่ได้แบ่งกันเมื่อเจ้าของบรรณภาพทั้งหมดย่อมเป็นของสงฆ์คือตายบมดทุกรูปเลยบริการทั้งหมดก็เป็นของสงฆ์ไปถึงหากว่าพิกษุผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้นไม่แบ่งกันให้แก่นิสิต ท, ทั้งหลายมีสติวิหาริ์เป็นต้นไม่เป็นอนให้เลย ต่อสลักให้แล้วจึงเป็นอันให้ด้วยดีต้องสลักเมื่อพิสุผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้นแม้มรณภาพแล้วก็ย่อมเป็นของนิสิตทั้งหลายมีสัตยมิหาริสเป็นต้นเท่านั้นไม่เป็นของสงถ้าทิตุจำบรรสายแล้วเมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ตามหรือเมื่อจีวรยังไม่แจกหลีกไปเสียเป็นผู้วิกลจริตเป็นผู้มีเจิตฟุ้งซ่าน เป็นผู้มีจิตกระสับกระสายเพราะเวทนาหรือเป็นผู้ที่ถูกสงยกวัดเมื่อผู้รับแทนที่สมควรดีอยู่สงพึงให้ตรวนแบ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หลีกไปหรือว่าบ้าฟุ้งซ่านจิตกระสับกระสายถูกสงยกวัดรมีคนรับแทนก็ให้ไปเพราะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิกรรมฐานอยู่ในวัด น, นั้นแล้วก็ถ้าศึกเสียหรือว่าบรณภาพปฏิญญาเป็นสามเณรก็ดี ปฏิญญาเป็นผู้บอกลาสิกขาก็ดีปฏิญญาเป็นผู้ต้องอนติมวัตถุก็คือต้องอบัตถุถึงที่สุดก็คือปราชิตปฏิญญาเป็นบรรเดาะปฏิญญาเป็นคนลักเพศก็คือไม่เป็นพระแล้วเป็นนับปัญญาไปยินดีวัดอะไรต่างวก็นี้เรียกว่ารักเพศเอาจีวรบาใส่เป็นเพศที่สุปฏิญญาเป็นคนเข้ารีเดรธีปฏิญญาเป็นสัน德拉ฉานปฏิญญาเป็นผู้ฆ่าบรรดาเป็นผู้ฆ่าบิดาเป็นผู้ฆ่าพระประหาร ปฏิ ญ, ญาเปนผู้ประทุษร้ายเดิมพิกซ์ตีปฏิญาเปนผู้ทําส่งให้แตกกันก็คือทําอันดับริยกรรมห้าปฏิญญาเปนผู้ทําโลหิตตุบาดปฏิญญาเป็นอุปโตูปัญญชนกทรงเป็นเจ้าของไม่ผึงให้ส่วนแบ่งแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วรรณะภาพหึื 5, ตายไปเป็นสมเดนหรือว่าเป็นอุปโตูปัญญชนกนี่ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง ถาเมื่อจีวรนยังไม่เกิดขึ้นกับนในจุดทั้งหลายที่จำพรรษาสมแตกการเป็นสองฝ่ายโดนที่ฝูชาวเมืองโก้สัมพีมนุษย์ทั้งหลายในที่ดอนถวายด้นทักซิโดทกและวัตถุมีของหอมเป็นต้นในฝ่ายหนึ่งถวายจีวรได้ฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่งสงหรือด้นถวายแก่ฝ่ายใดย่อมถวายจีวรนในฝ่ายนั้นนันแหลว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่งสงจีวอนนั้นเนของสงทั้งสิ้น คือย่อมถึงแก่สงทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายค้อนระคังแล้วแบ่งด้วยกันก็ท่าบรรลุทั้งหลายถวายนอมทักซิโดทกและของหอมเป็นต้นในฝ่ายหนึง่งถวายกีวรทั้งหลายในฝ่ายเนึ่ด้วยกล่าวว่าข้าเจ้าถวายแก่ฝ่ายก็คือใครได้อะไรก็เอาดันไปเลยถวายแก่ฝ่ายกีวรเหล่านั้นเป็นของฝ่ายนั้นเท่านั้นยิงอยู่เมื่อชนทั้งหลา ย, ยถวายอย่างนั้น ด้อมอันเขาถวายแล้วแก่ฝ่ายใดด้อมนั่นแหลเป็นของฝ่ายนัน้นจีวอนอันถวายแล้วแก่ฝ่ายใดจีวอนก็เป็นของฝ่ายนั้นเท่านั้นก็ในที่ใดด้ำทักซิโดทกเป็นประมาณใดที่ดันฝ่ายหนึ่งย่อมได้จีวอนทั้งหลายเพราะว่าตนได้น้ำทักซิโนทกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมได้เพราะว่าตนได้จีวอนก็ต้องบาแบ่งกันทะ้งนั้นทั้งสองฝ่ายเพิ่งเป็นผู้พร้อมกันแจกตามลำดับอาวุโส คือตามลำดับอ่อนแก่ในมหาอัตถกถากล่าวว่าได้ยินว่านี้เป็นลักษณะในสมุดฝังโด้นก็คือในชมพูทวีปถ้าเขาถวายด้าด้ฝ่ายใดย่อมถวายจีวรด น, นฝ่ายดั้นนั่นและด้วยกล่าวว่าพวกคำเจ้าถวายแก่ฝ่ายจีวรเหล่านั้นเป็นของฝ่ายนั้นเท่านั้นฝ่ายนอกนี้ไม่เป็นใหญ่เลยถ้าเมื่อจีวรเกิดขึ้นแก่ทิ่จุผู้จําภาษาแล้วยังไม่แจกกันสงแตกกัน พึงให้เสมอการแก่ส่งทั้งหมดถ้าเมื่อพิสูหลายรูปด้วยการเดินทางไกลพิสูจบางพวกแวะเข้าป่าช้าเพื่อสแสวงหาผ้าบางสกุลบางพวกไม่รอคอยหลีกไปพิสูจทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่พึงให้ส่วนแบ่งแก่พิสูจผู้ไม่รอคอยสำหรับพิสูุผู้รอคอยแม้ไม่ปรารถนาจะให้ก็พึงให้ส่วนแบ่งถ้ารอก็ต้องแบ่ง ก็ถ้าพวกมนุษย์ทั้งหลายถวายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผู้มาถึงแล้วในที่นั้นจงถือเอาดังนี้ทําเครื่องหมายไว้แล้วไปเสียด้วยคิดว่าผู้มาถึงแล้วจงถือเอาเถิดจีวรย่อมถึงแจกที่สุแ ล, และทุกรูปผู้มาถึงแล้วถ้าเขาทิ้งไว้แล้วไปเสียทิกตูผู้ถือเอาเท่านั้นเป็นเจ้าของถ้าทิ่ตู บ, บางพวกแวะเข้าป่าช้าก่อนบางพวกแวะเข้าที่หลําเดินบรรดานิกุ่สูสองพวกนั้น ทิสุพวกที่เข้าไปก่อนย่อมได้ผ้าบางสกุลพวกที่แวะเข้าไปที่หลังย่อมไม่ได้ทิสุผู้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่พึงให้ส่วนแบ่งแต่ทิสุผู้แวะเข้าไปที่หลังก็มีพระบาลีว่าดูก่นอนทิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทิสุทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่ต้องให้ต่วนแบง่งแต่พวกทิสุที่แวะเข้าไปทีหลังก็การทิสุแม้ทั้งหมดแวะเข้าไปพร้อมกันบางพวกย่อมได้บางพวกย่อมไม่ได้ พิสูตพวกที่ได้แม้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่พวกพิสูตที่แวะเข้าไปพร้อมกันเพรามีพระบาลีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสูตทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่พิสูตทั้งหลายที่แวะเข้าไปพร้อมกันก็ถ้าพิสูตทั้งหลายทำกติกาในภายนอกว่าเราจะแบ่งผ้าบางสกุลที่ได้แล้วถือเอาให้ทั่วถึงกันดังนี้แล้วเข้าไปในป่าช้า บางพวกยอมได้บางพวกย่อมไม่ได้พิกูุพวกที่ได้ถึงไม่ปรารถนาจะให้ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแม้แต่พวกพิสูจที่ได้ทํากติกาแล้วจึงแวะเข้าไปเพราะบีพระบาลีว่าดูก่อนพิกูุทัุ้หลายเราอนุญาตให้พิจูตทั้งหลา ย, าาลายไม่ปรารถนาก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่พิจูตพวกที่นัดแนกันไว้แล้วแวะเข้าไปดังนี้ก็ถามว่าด้วยการแจกจีวร น, นี้มีเพียงเท่านี้แล ตอนีก็หมดเวลาพดีก็ขออนุโลศนาสาธุขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีคิดเริ่มใสในบรรดา ต, ตรัายจเจริญรอกนาำในพระพุทธศาสนาอบรมไตรจิตาเพื่อความบรทุกโดยทั่วกันสาธุสาธุสาธุ